วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผูมม่มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนาสถานที่แห่งนี้จะมีการแสดงธรรมส0สิบนาทีแรก แล้วอีกสามสิบนาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมื่อเป็นการฝึกสมาธิทำจิตใจให้เน่งให้สงบให้มีกำลังให้มีความสุขที่จะเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจต่อไปทำที่จะมา แสดงในวันนี้มีชื่อว่าทางสายกลางทางสายกลางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบได้ส่งตรัสรู้คือเป็นทางสู่การดับความทุกข์ของใจทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกาัน เป็นทางเดียวที่สามารถที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตัดสรุปทางสายกลางนี้ก็มีทางอยู่สองทางด้วยกันที่เรียกว่าทางสุดตรงสุดตรงไปทางคนละด้านกันทางหนึ่งเรียกว่าทางที่ใช้ ความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณชนิดต่างๆใช้เพื่อมาดับความทุกข์ของใจก็สามารถดับได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูก อ, อกถูกใจเช่นเวลาได้กินได้ดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารที่ถูก อ, อกถูกใจได้ไปดูไปชม มาระสมบันเทิงต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆความทุกข์ใจตอนนั้นก็จะไม่มีชั่วคราวแต่พอหลังจากที่ได้กลับมาจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกิริย์ลดต่างๆแล้วพอไปคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการพลาดพลาดจากกาันความทุกข์ก็กลับคืนมาอีกอื พระบุตรเจ้าก็เคยใช้วิธีนี้ในตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ที่พระราชวังอยู่ในราชวังก็มีความสุขทางรูปเสียงกิ่นรถนี้ตลอดเวลามีเบอร์สัตวมีบริวารคอยรับใช้คอยตอบสนองความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกินรถต่างๆ แต่พอวันหนึ่งได้ทรงออกไปเที่ยวนอกนอกขรราาชวังพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและทราบว่าต่อไปพระองค์ไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสุขต่างๆที่เคยได้จากการเสพกลางนั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความทุกข์ความกังวลใจความหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมา อ, องจึงรู้ว่าการใช้กรรมมาสุขคือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริงดับได้เป็นเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นแต่พอไปพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายความทุกข์ก็จะขึ้นมาทันทีพระ อ, องค์จึงต้องสัต ตัดสินพระไทยออกบวชเพราะคิดว่าทางของนักบวชนี้เป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้แต่พระองค์ก็ต้องไปเจอกับความทางอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าทางสุดตรงอีกด้านหนึ่งคือการทรมานร่างกายของตนให้เกิดความเจ็บปวดนวดร้าวเพื่อคิดว่า จะได้ดับความทุกข์ทางใจได้เช่นนั่งนั่งหรือนอนมบนที่นั่งที่นอนที่มีของแหลมคมมีนามหรือเอาของเอามีดมากรีดตามร่างกายต่างๆหรือเอาของแหลมคมเอามาทิ่มเามาแทงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อที่จะให้ความทุกข์ทางใจนั้นหายไป แต่ความทุกข์ทางใจก็ไม่หายพระองค์เองก็ทรงทดสอบด้วยการอดพระกาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้หายไปได้พระองค์จึงทรงรู้ว่าทางทั้งสองทางนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ของใจได้จึงทรงย้อนกลับมาทบทวนดูขั้นตอนของการปฏิบัติของพระองค์ก็ทรงคิดว่ามีอีกทางหนึ่งคือทางแห่งการบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือการทำจิตใจให้นิ่งให้สงบเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหายไปแต่ในเบื้องต้นก็ทรงทรงค้นพบ เพียงครึ่งเดียวคือสามารถทำใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แบบชั่วคราวคือการบำเพ็ญสมถะภาวนาเข้าสมาธิเข้าฌานไปเวลาเกิดความทุกข์ใจนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วความทุกข์ใจต่างๆที่กว่ากฎก่อนหน้านี้ก็จะหายไปชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเสพมาสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆก็ยังทำให้ใจทุกข์อยู่พอเงยส่งใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าทำไมเวลาอยู่ในสมาธิความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วความทุกข์ที่หายไปก็กลับคืนขึ้นมาอีก ก็ทรงเห็นว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ความคิดปรุงแต่งนี้เองในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตนิ่งสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องเรื่องราวต่างๆไม่คิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นตอนนั้นความทุกข์ก็เลยไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสมารับรู้เรื่องของร่างกาย เรคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายความทุกข์ก็กลับโหลขึ้นใหม่ก็เลยทรงเห็นว่ามันอยู่ที่ความคิดบุงแต่งของใจนี่โดยเฉพาะความคิดบุงแต่งไปในทางที่ขัดกอ่อขัดต่อหลักความเป็นจริงเช่นความเป็นจริงของร่างกายเป็นอย่างไรความเป็นจริงของร่างกายก็คือร่างกายเกิดมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีร่างกายแล้วจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายด้วยกันทุกคนตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาถึงขอทานข้างถนนร่างกายของคนทุกคนนี้เหมือนกันหมดคือเป็นอันนี้จังไม่เที่ยง แล้วก็ส่งวิเคราะห์ว่าร่างกายนี้มาเกิดมาได้อย่างไรมาจากอะไรก็ส่งพิจารณาเห็นว่ามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่ธาตุสี่เป็นส่วนส่วนประกอบที่มาสร้างอาการสามสิบสองของร่างกายขึ้นมาคกือสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันเป็นต้นเวลามีธาตุสี่เข้าไปรวมตัวกันร่างกายก็จะ เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเช่นในตอนที่มีธาตุสีของของพ่อกับของแม่มารวมตัวกันก็ทำให้เกิดมีการก่อตัวของร่างกายอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็อาศัยอยู่ในคันของแม่อาศัยธาตุสีดินน้ำลมไฟของแม่ที่แม่เอาเข้าไปในร่างกายของแม่เช่นธาตุลมที่ได้จากการหายใจลมหายใจ ธาตุน้ำที่ได้จากการดื่มของเหลวต่างๆธาตุดินก็คือได้จากอาหารที่กินเข้าไปที่เป็นของแข็งแล้วก็ธาตุไฟก็อาศัยความร้อนของจากแสงพระอาทิตย์เป็นต้นเมื่อมีการมีการเอาข้าวของธาตุสี่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอการสร้างร่างกายคือสร้างอาการสามก็เป็นขึ้นมาตามลำดับ จนกระทั่งร่างกายเจริญเติบโตเ ต, ต็มที่มีอวัยวะครบสามสิบสองและไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็คลอดออกมาก็เกิดมีการเกิดขึ้นมาการเกิดของร่างกายขึ้นมาร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าดูจากถ้าวิเคราะห์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์หลักชีววิทยามันมีแต่ดินน้ำนมไฟเท่านั้น ที่มารวมตัวกันแล้วก็มาสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆแล้วพอออกจากร่างกายออกจากท้องแม่มาร่างกายนี้ก็ต้องเอาธาตุสี่เข้าไปเองเช่นออกมาปั๊บก็ต้องหายใจเองแล้วก็ต้องดื่มน้ำเองโดยอาศัยพ่อแม่คอยเลี้ยงดูไปก่อนเพราะยังเล็กยังไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ mm hmm. ก็มีการ ทธาตุสีให้กับทารกมีให้น้ำให้ของเหลวให้ดื่มให้อาหารที่เป็นของแข็งผสมอยู่ในน้ำคือพวกน้ำนมต่างๆแล้วก็ธาตุลมก็หายใจเองธาตุไฟก็อาศัยความร้อนของแสงอาทิตย์ อ, อุณภูมิร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับ จากทารกก็กลายเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กตัก็กลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุจากนั้นก็เป็นผู้แกช่ชราเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นผู้ถึงแก่ความตายพอร่างกายหยุดหายใจการรวมตัวของธาตุสีก็พลิกกลับเป็นการแยกตัว ธาตุลมไม่เข้าแล้วเทนี้ก็มีแต่ธาตุลมที่เหลืออยู่ในร่างกายที่จะระเหยออกมาธาตุน้ําก็เช่นเดียวกันไม่มีธาตุน้ําเข้าธาตุน้ําที่อยู่ในร่างกายก็จะแยกตัวออกจากธาตุดินธาตุไฟก็ไปพร้อมๆกับธาตุลมร่างกายก็เย็นเฉียบแล้วในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินที่เป็นส่วนแข็งเช่นพวกโครงกระดูกเป็นต้นนู้นหนังที่ที่แห้งกรอบ ถ้าทิ้งไว้ต่อไปก็จะผุพังกลายเป็นดินไปทรงพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวพระองค์เองเพระองค์ไม่ได้เป็นร่างกายและพระองค์ทรงเห็นว่าร่างกายนี้โดยธรรมชาติของมันมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงอันนี้ได้คือไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความทุก์ในใจที่เคยมีก็หายไปหมดจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากตัหาความอยากความอยากที่อยากให้มีอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะใจนี้มีความอยากที่จะหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเมื่อต้องการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือที่มีตาหูจมูกมิ้นกายก็คือร่างกายนี้จึงพาให้ใจนี้มาเกิดมาครอบครองร่างกายที่พ่อแม่ก่อละสร้างขึ้นมาให้แล้วพอได้ร่างกายแล้วพอคลอดออามาก็อยากจะให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายเพราะว่าถ้าร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะไม่สามารถ หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลสะพ้าได้ใจก็จะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจนี่แหละเป็นที่มาของการค้นพบความจริงว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าอยากจะใช้ร่างกายไปนานๆเพราะอยากจะหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลสพ้าวิธีที่จะแก้ที่จะทาให้ใจ ไม่ต้องทุกกับร่างกายก็คือต้องไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นมาเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือความสุขที่ที่เป็นจิตที่สงบนิ่งระงับความอยากต่างๆได้เวลาที่ระงับความอยากต่างๆได้นี้ จะทำให้จิตนิ่งสงบทำให้จิตมีความสุขขึ้นมาในตัวของมันเองแต่เวลาใดที่มีความอยากโผล่ขึ้นมาในใจเวลานั้นความสุขความสงบของใจก็จะถูกความอยากนี้มาทำลายไปแล้วมาสร้างความหิวความโหยความทุกข์ทรมานให้กับใจพระองค์ได้ทรงเห็นว่าวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับอะไร ก็ต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้โดยการวิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวและไม่สามารถครอบครองควบคุมบังคับให้เป็นของของตนไปได้ตลอดได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญเสียไป มีได้แล้วก็ต้องมีเสียและสิ่งที่ได้มาก็มีการเปลี่ยนแปลงจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปจากดีก็กลายเป็นของไม่ดีไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้แก่โลกกรรมทั้งสี่ชนิดด้วยกันคือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆของเหล่านี้เป็นของ ช่วข่าวเป็นของที่ไม่นิ่งไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญก็มีการเสื่อมสลับกันไปมีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสระเสริญก็มีนินทามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรส สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่เป็นที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติดินฟ้าอากาศนี้ไม่มีใครสามารถไปควบคุม บ, คบังคับเช่นเมื่อกี้นี้แดดไม่ออกอย่างนี้อยู่ดีๆแดดก็ออกขึ้นมา ท, าทันทีฉันใดความรู้สึกสุขทุกข์ต่อรูปเสียงกลิ่นล้วก็แบบเดียวกัน เมื่อกี้แดดไม่ออกรู้สึกเย็นสบายพอแดดออกคนที่อยู่นั่งกลางแดดก็รู้สึกร้อนขึ้นมานความรู้สึกก็เปลี่ยนไปความรู้สึกที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็เปลี่ยนไปจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ต้องแห่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเป็นของไม่เที่ยว เมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเป็นอนัตตาไม่มีใครไปสั่งมันไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงได้ถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดถึงเวลามันจะดับมันก็ดับเช่นเดียวกับร่างกายของทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ช้าก็เร็วเจ็บบ้างเจ็บน้อย เจ็บช้าเจ็บเร็วตายช้าตายเร็วนี้ก็ต่างกันแค่นั้นแต่สูญก็ตายตัวว่าทุกคนร่างกายของทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเป็นอาการสามสบสองแล้ววันหนึ่งก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายก็อย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขการที่เราจะหยุดทาให้ใจไม่ต้องไปอาศัย ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้เราก็ต้องหยุดความอยากที่มีในใจนี่ก็หยุดได้ด้วยสองสองสองระดับด้วยกันหยุดหยุดแบบชั่วคราวเราเรียกว่าการใช้สติควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดพอใจหยุดคิดความอยากที่ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็หยุดชั่วคราวอันนั้นความทุกข์ก็จะหายไปขั้นที่สองก็คือ เวลาเอาจากสมาธิมาแล้วต้องใช้ความคิดพอคิดไปในทางความอยากก็ให้หยุดมันเสียอย่าไปคิดในทางความอยากให้คิดไปในทางที่ไม่อยากวิธีที่จะคิดไปในทางที่ไม่อยากก็ต้องเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์นั่นเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นอยากจะมีแฟนนี้ก็คิดว่าแฟนนี้ไม่แน่นอนแฟนเขากเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนได้บางทีก็รู้จักกันใหม่ๆก็ดีแสนดี พออยู่กันไปสักพักหนึงแล้วความดีนั้นกับกลายเป็นความไม่ดีไปก็มี <spielt> เคยเป็นคนใจเมตตาแล้วกับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาก็ได้เ <t> พราะนี่คือเรื่องของอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอนนั้ตาควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าใช้ปัญญาทุกครั้งที่เกิดความอยากอยากได้ลาบยศเสรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกยยลิ่นรสก็พิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่แน่นอน ดีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะทําให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ก็ได้ถ้ามองเห็น น, นิจจังในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอ น, นัตตาที่เราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวได้จะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วพอเห็นอย่างนี้พอเห็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างความอยากที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปหมดอยากได้ลาบยศสรรเสริญ สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพอเห็นว่าเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดหมดช้าหมดเร็วแต่ก็ต้องหมดไม่ช้าก็เร็วเสื่อมต้องมีการเสื่อมไปพอเสื่อมความสุขที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปความเศร้าโศกเสียใจไปพอพิจารณาอย่างนี้ได้ด้วยปัญญาทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาในใจความอยากที่เคยมา พลุกผักดันให้ใจไปอาศัยร่างกายก็หายไปหมดใจสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความอยากได้มีความสุขจากการระ ง, งับความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาถ้าใช้ปัญญาระ ง, งับแล้วนี่มันจะเป็นการระ ง, งับแบบยั่งยืนถาวรเพราะเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วไม่มีใครอยากจะได้ถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราลองดื่มอยู่ทุกวันนี้มีคนเข้าไปวิจัยว่าสามารถจะทาให้เกิดเกิดมะเร็งขึ้นมาได้ พอรู้เท่านั้นว่าเครื่องดื่มนี้จะต้องดื่มก็ไปแล้วจะต้องเป็นมะเร็งนี่เลิกดื่มกันเลยไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาขอร้องถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอันตรายเป็นทุกข์กับเราเราก็จะไม่ดื่มเราก็จะไม่อยากจะแตะต้องเลยอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าทรงสอนให้เรามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนีรู้วนเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาทางใจเพืจะสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา อย่างแน่นอนเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนี่แหะคือปัญญาที่จะสามารถทำให้หยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจได้<ม>พอหยุดหยุดความอยากด้วยปัญญาได้แล้วความทุกข์ก็จะหายไปอย่างอย่างยั่งยืนถาวรเ<ม>พราะว่าใจจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปแล้วรู้ ร, รู้จักความจริงว่าอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ อยู่โดยที่ไม่ต้องเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่โดยที่ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญอยู่โดยที่ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่นี่แหละคือวิการตัดสลุของพระเจ้าและทสองค้นพบวิธีที่จะทําให้ดับความทุกข์ล่านี้ได้ก็คือการเจริญสติการเจริญปัญญานี้โดยหลักนั่นเองต้องมีสติที่จะคอยมาครอบ เบื้องต้นคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งให้มันหยุดแบบชั่วคราวไปก่อนพอเราสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากแบบชั่วคราวได้แล้วใจเราไม่ค่อยหิวโหวยเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วพอเกิดความอยากเราก็สามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะทให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็น ของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจไม่ช้าก็เร็วนี่คือทางสายกลางคือทางแห่งสติปัญญาสนับสนุนด้วยการบําเพ็ญศีลเพราะการที่จเจริญสตินี้ก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องเครื่องสนับสนุนเมื่อมีศีลแล้วก็จะสามารถมีเวลาไปบําเพ็ญเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืน ศีลนี้ก็คือศีลของนักบวชนั่นเองต้องไปบวชกันต้องอยู่แบบนักบวชเพาะอจะจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นไปหาความสุขทางอื่นเพราะความสุขทางอื่นก็ล้วนเป็นแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเอาเวลามาบําเพ็ญมาสร้างเครื่องมือมาสร้างทางสายกลางทางสายกลางโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าถ้าจะแยกให้ละเอียดขึ้นก็เป็นทางที่มีมรรคที่เป็นองค์แป ศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาชีโวเคือการกระทาที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการมีอาชีพที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาสมาธิก็เป็นสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิการจะเจริญสติต้องมีความเพียงมีเวลาให้กับการบำเพ็ญเจริญสติให้มีสัมมาสติให้หยุดคิดให้ได้ เมื่อหยุดคิดได้ก็จะได้สมาสมาธิก็จิตจะตั้งอยู่นิ่งอยู่ในความสงบเมื่อมีสมาธิแล้วก็สามารถไปเจริญปัญญาได้พิจารณาตายรักพิจารณาอริยสัจสีได้ก็สามารถระงับปัญหาความอยากต้นเหตุของความทุกข์ได้พอระงับปัญหาได้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปหมดหลังจากนั้นแล้วใจจะไม่ทุกข์เก่าอะไรอีกต่อไป ก็เสตที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัณหาความอยากของใจนี้ได้รับการกําจัดด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้ น, นทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราควบคุมไม่สำให้มันเที่ยงไม่ได้มันอยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่มันก็เปลี่ยนมันอยากจะเสื่อมเมื่อไหร่มันก็เสื่อมมันอยากจะดับเมื่อไหร่มันก็จะดับ ถ้าเราไปยุ่งกับมันเราไปครอบครองมันเราก็จะวุ่นวายไปกับมันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับอะไรไม่ไปยุ่งกับอะไรไม่ไปครอบครองอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปนี่แหละคือเรียกว่าทางสายกลางทางที่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องเป็นทางที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุปได้ทรงค้นพบคือทางแห่งมรรคที่มีองค์แปดหรือถ้าสรุปลงก็คือทางแห่งศีลสมาธิปัญญา ลหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงนาเอาทางนี้มาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นจำนวนมากปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยช่วงระยะแรกๆที่ทรงเผยแผ่ทำประมาณเจ็ดเดือนด้วยกันคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสาม ก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ตาวูอย่างน้อย 1,250 รูปที่ได้ไปเผยแผ่ธรรมะตามสารทิตต่างๆได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นเพื่อมาการเพื่อมา ก, ก ร, ราบแสดงคารวะความเคารพนี่คือเครื่องยืนยันว่าทางสายกลางของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางที่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแน่นอนพอมีผู้ที่นำเอาไปศึกษานาเอาไปปฏิบัต และสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โือเป็นพระอรหันตสาวกนี่นี่แหละคือเรื่องราวของทางสายกลางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินได้ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วนาาาํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อมีวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตาม เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กำหนดไว้คือประมาณ30นาทีด้วยกันก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้และในลำดับต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาเจริญสติเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบจเจริญสัมมาวายามะสัมมาวายามะโมคือความเพียรชอบ มาเจริญสัมมาสติเพื่อให้ได้ส ม, มาสมาธิคือจิตนิ่งสงบเปน็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาการนั่งสมาธินี้เป้าหมายหลักก็คือต้องการให้ใจหยุดคิดหยุดคิดหยุดอยากถึงแม้จะเป็นการหยุดคิดหยุดอยากแบบชั่วคราวมันก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวความทุกข์ที่เคยมีในใจก็จะหายไปชั่วคราว นั่งสมาธินี้เรายังไม่ต้องการเจริญปัญญาไม่ต้องการรู้อะไรทั้งสิน้นต้องการทำใจให้นิ่งอย่างเดียวการที่ใจจะนิ่งได้ใจจะต้องมีอะไรผูกใจไว้เครื่องผูกใจเราเรียกว่าสติกับกรรมฐานใจจะนิ่งได้ต้องมีเชือกคือสติแล้วมีเสาคือกรรมฐานคืออารมณ์ที่ทำให้ใจไม่ไปคิดปุงแต่งใจต้องมีสติและเลอกเล่ อ, อยู่กับกรรมฐาน เช่นทำบริกา ร, รพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือการสวดมนต์ก็เป็นการกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกเอาตามความพอใจกรรมฐานแบบไหนที่เหมาะกับตอน <c oughs> ทําให้ใจสบายนั่งแล้วสงบได้ก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นไปแต่เวลานั่งนี้ไม่ให้พิจารณาไม่คิดทางปัญญา ถ้าคิดแล้วจะไม่มีวันที่จะสงบได้เรื่องกับปั ญ, ญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนพอออกจากสมาธิแล้วเกิดความอยากขึ้นมาเอาปัญญามาใช้หยุดความอยากให้ได้ด้วยการเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้แต่ตอนนั่งสมาธินี้ไม่ให้คิดอะไรให้เพ่งเฉยเพ่งอยู่กับคบําบาลีคำพุโทโธพุโทโธไป หรือเพ่งอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปบางท่านอาจจะใช้สองอย่างควบคู่กันไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้บางท่านก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโทอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้การดูลมก็ให้ดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าลมออกสัมผัสให้รู้อยู่ตรงจุดนั้นว่าตอนนี้ลมเข้าตอนนี้ลมออก ไม่ต้องบังคับลมให้หาย่นหายใจสั้นหายใจยาวลมจะสั้นลมจะยาวก็รู้น์ตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับไม่ต้องการให้จิตทาอะไรให้จิตถักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองให้ดูเฉยเฉยเพราะถ้าจิตมีการควบคุมบังคับลมจิตจะจิตจะต้องทำงานเมื่อจิตทำงานสังขารก็ต้องปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งจิตก็จะไม่สงบได้ แต่ถ้าจิตรู้เฉยๆเฝ้าดูเฉยๆนี่จิตไม่ต้องทํางานอะไรสังขารไม่ได้ทํางานถ้าเดี๋ยวสังขารก็จะหยุดคิดปุงแต่งได้พอหยุดคิดปุงแต่งแล้วก็จะเกิดความสุขชั่วคราวขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายที่มีอยู่ในใจในช่วงที่กําลังนั่งสมาธิก็จะหายไปหมดความตึงเครียดอะไรต่างๆหายไปหมดว่างทําให้จิตใจว่างเบาเย็นสบายมีความสุขขณะที่สมบก็ไม่ต้องทําอะไรให้มีสติคอย บ้องกันอย่าให้ใจไปคิดปรุงแต่งเพื่อที่จะให้จิตนิ่งสงบไปได้นานๆเพราะถ้าจิตนิ่งสงบได้นานเท่าไหร่จิตจะมีพลังในการที่จะออกมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้มากขึ้นถ้าสงบได้เดี๋ยวเดียวกำลังจะมีน้อยเหมือนกับคนที่พักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารถ้าได้พักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารอย่างเต็มที่เวลาตื่นขึ้นมาก็จะมีกาลังที่จะออไปทางานได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าได้พักผ่อนแป๊บเดียวนอนแค่สิบหนาทีครึ่งชั่วโมงพอตื่นขึ้นมานี้อาการความรู้สึกมีกำลังมันยังไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้พักผ่อนพอเพียงสมาธิก็แบบเดียวกับการนอนนอนหลับพักผ่อนของร่างกายเวลาสงบแล้วพยายามประครับประคองให้มันสงบไปให้นานๆหรือว่าถ้ามันออกจากสมาธิมาอยากจะกลับเข้าไปใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่ต้องไปทาอะไร ช่วงแรกนี้พยายามฝึกสมาธิให้มากที่สุดให้ชำนาญและให้อยู่ได้นานๆเพื่อจะได้เป็นขุมพลังของของปัญญาต่อไปและขณะที่นั่งถ้ามีอะไรปรากฏก็อย่าไปสนใจให้รับรู้จะมีเสียงกามาจะมีภาพเข้ามาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเอ็ไปทางซ้ายเอ็ไปทางขวาอยากจะกลินน้ำลายหรืออะไรต่างๆอันนี้อย่าไปสนใจ ให้เกาะติดอยู่กับกรรมฐานให้มีสติและเลิกรู้อยู่กับพุโทโธเลิกอยู่กับลมหายใจเข้าอ อ, อถ้าอยู่กับกรรมฐานใจก็จะสงบได้ถ้าไม่อยู่ไปไปมามาไปตามเรื่องนั้นไปตามเรื่องนี้นั่งไปทั้งวันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้แล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณยี่สิบห้านาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจํำวิธีนั่งไว้คราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยแล้วจิต ก, ก็จะสงบเหมือนวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อยก็ควรไปเจริญสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่ง สามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วต่อไปจะมีสมาธิมากขึ้นและเวลานั่งก็จะสงบได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้ต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราริปุรเนติสาคขรังเอวามีวะอิตตจินัง เปตานังอุปการปติยิจตังปัจิตัง <c> ต <oughs> ุมหังคิปเมวัสมิชิตาตุสัพเทบุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณีชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพารคโขวินัสสตุ มาเตภวตวันตรายูสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาทนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานเตอายุวันุสุขังภาลัง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 Youtube พระสุชาติไลฟ์สองร้อ u หกด็อกเตอร์วีิจวิทยุออนไลน์10คลับฮาส์สองนากุติสองร้อยรวมทั้งหมด742ดร้อยส่ิบอท่านค่ะถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะหนูเป็นคนที่โกรธแล้วหงุดหงิดง่ายจะมีวิธีใดที่สามารถระงับความโกรธและความหงุดหงิดได้อย่างรวดเร็วคะ ก็อย่าไปอยากได้อะไรกับใครจากใครเราทำใจให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่โกรดใครที่เราโกรธเพราะเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็เลยทำให้เราโกรธขึ้นมาฉะั้นหัดทใจให้กว้างๆยังไงก็ได้ฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้ชมก็ได้ด่า ก, ก็ได้ทำตามที่เราบอกก็ได้ไม่ทาตามก็ได้ ออย่างนี้รล้รับประกันได้ว่าจะไม่มีวันที่จะต้องโกรธใครคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะหนูเคยฟังเทศของหลวงตาพระมหาบัวว่าเวลาบริกรรมภาวนาไม่ให้บริกรรมนิพพานนิพพานทำไมเจ้าคะอ่าต้องไปถามท่านเลยถ้าเป็นคนพูดเราจะไปตอบแทนท่านได้ไหมคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะ วิธีตอนนั่งสมาธิถ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูกอย่างเดียวไม่ต้องบังคับลมเพราะจิตจะทำงานให้รู้เฉยๆต่างจากวิธีใช้ใช้บริกรรมพุทโธ ท, ที่ต้องบังคับจิตให้คิดพุทโธก็คือจิตยังทำงานให้คิดพุทโธเพื่อไม่ให้คิดอื่นฟุ้งซ่านแทรกหรือต้องมีขั้นตอนต่อไปไม่ให้จิตทางานจากคิดพุทโธอีกทีหนึ่งคะก็พุทโธก็สามารถสงบได้เหมือนกัน พอไม่มีความคิดอย่างอื่นแล้วพุทโธก็หยุดได้หยุดโดยอัตโนมัติของมันเองคำถามจากทาง Facebook ค่ะขอสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเดินจงกรมสำหรับผู้เริ่มต้นครับว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรวางจิตไว้ที่ใดอย่างไรและเป้าหมายของการเดินจงกรมคืออะไรครับการเดินจงกรมก็เป็นการทาสมาธิอกีกรูปแบบหนึ่ง แทนที่นั่งสมาธิเราก็เดินสมาธิเองแต่ว่าแทนที่เราจะพูดว่าเดินสมาธิเราก็เดินจงกรมก็เหมือนกับท่านั่งเอานั่งดูลมเราาเดินเราก็ดูที่เท้าดูเท้าที่เราก้าวไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปควบคุมความคิดเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิแต่โอกาสที่จิตจะนิ่งสงบเต็มที่นี้จะไม่ได้เท่ากับท่านั่งเพราะท่านั่งนี้มันไม่มีการเคลื่อนไหวจิตไม่ต้องทางาน แต่ช่วงที่เดินนี้จิตยังต้องควบคุมบังคับร่างกายอยู่ก็จะได้สติได้ความสงบในระดับปานกลางแต่ยังไม่ถึงกับขั้นรวมลงไปแต่ต้องทําเพราะว่าบางทีถ้าปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนจะทําท่านั่งอย่างเดียวก็มันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันจะเจ็บปวดปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนักปฏิบัติเขาเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งมาเป็นท่าเดินบ้างเป็นท่ายืนบ้างินกว่าจะหาย ปวดเมื่อยแล้วเขากลับไปนั่งใหม่แต่ขณะที่เดินหืยืนหรือทําอะไรก็จเจริญสติเหมือนกับตอนที่นั่งอยู่ในสมาธิพุโทโธถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลงกเปี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปว่าร่างกายกํลาลังทําอะไรอยู่ก็อยู่กับการทํางานของร่างกายไปเป้าหมายของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็คือให้จเจริญสติเพื่อเวลาเวลามานั่งสมาธิจิตจะได้รวมได้สงบได้ง่าย คำถามจากทาง facebook ค่ะมโนมายธีเป็นยังไงแล้วจําเป็นไหมในการปฏิบัติครับก็ต้องค้นหาดูอะไรเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้<ม>ก็ตอบไม่ได้คำถามจากทาง facebook ค่ะภาษาทางอัจฉระทั้งหทําให้เกิดโลภโกรธหลงใช่ไหมเจ้าคะแล้วทํายังไงเมื่อภัสสะแล้วจะไม่ให้เกิดความโลภโกรธหลงขึ้นได้ต้องมีปัญญา ที่เกิดโลภ ก, กิดหลงไม่ใช่ผัสสะที่เกิดโลภ ก, กดหลงก็คืออวิชชาความหลงความหลงไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ไม่เกิดกิเลสเกิดความโลภความอยากขึ้ น, นามาคำถามที่สองค่ะความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล น, นี้เกิดจากใจเราใช่ไหมคะเกิดจากตัณหาความอยากที่มีในใจของเรา ที่เราสามารถกำจัดได้ด้วยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะขณะนั่งสมาธิความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรกับความฟุ้งซ่านนี้ครับต้องใช้คำบริกรรมสู้กับมันแล้วใช้การสวดมนต์สู้กับมันไป <S <S คุณหมอไม่อยากจะถามอะไรนะคุณหมอเชิญ ถ้าตอบไม่ได้ต้องขออภัยด้วยไม่ตอบได้เจ้าค่ะแต่ว่าจะตอบที่ปัญหาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะสมมติว่าคนคนเวลาเราแก่มาเนี่ยค่ะเราก็จะเราปฏิบัติมาทั้งตลอดถือศีลห้าทำทานทำบุญสวดมนต์อันนี้พูดทั่วไปเจ้าค่ะแล้วพอเราแก่มาเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมสภาพแล้วมันก็ทุกทรมานกับร่างกายเวลา เราจะตายเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าจะทํำยังไงให้มันจิตมันไปดีเจ้าค่ะเพราะว่ามันต่อสู้กับสังขารที่ที่มันบีบคัน ร, ร่างกายก็จะไปดีคือถ้าไปสุคตินี้ก็เราต้องทําบุญให้มากกว่าทาบาปถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติคถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปอบาบัย ส่วนถ้าเราอยู่แล้วเราอยากให้ใจเราไม่ทุกไม่วุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องภาวนาตลอดสตินั่งสมาธิและเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปอยากให้มันไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน แต่ว่าตอนที่จะตายเนี่ยมันต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดมากก็ถ้าเราฝึกไว้แล้วเราก็ถ้าเราฝึกแล้วเรากเหมือนกับได้ซ้อมทํกากันบ้านไว้ก่อนพอเข้าห้องสอบแล้วก็รู้ข้อสอบว่าเป็นยังไงเราก็จะไม่เจ็บไม่ปวดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป น, นี้ถ้าไม่เจ็บปวดกับร่างกายร่ า, างกายจะจะเป็นอะไร ใ, ใจท่านวางเฉยได้แล้วค่ะแล้วอย่างผู้ดูชนทั่วไปก็ ก็อเอาไปไปเยอะเลยเจ้าค่ะไม่ไม่เกี่ยวกันเรื่องอบาปนี่เกี่ยอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทากันแต่จะอยู่อย่างสงบหรือไม่สงบทุกข์แล้วไม่ทุกข์นี่มันอยู่ที่ปัญญากับสติถ้ามีสติมีปัญญาทําใจให้นิ่งให้สงบได้ก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ตา่างๆแต่ตอนไปเจ้าค่ะมันถึงตอนก่กนนันจหล ะ, หละก็เหมือนกันถ้าเราฝึกดีมันก็ตอนไปแล้วไม่ไปมันก็เหมือนกันเจิตมันก็พอเหมือนนั่งมวยนั่งมวยที่ซ้อมชกอยู่เรื่อยๆ พอถึงเวลาจะขึ้นเวทีก็พร้อมที่จะเช่ากับคู่ต่อสู้ได้แต่ถ้าเราฝึกมาไม่ดีเราจะไปไหนเจ้าคะก็ไปเหมือนเดิมไปอยู่ที่บุญที่บาปที่จะพาเราไปแต่จะไปแบบทุกข์หรือไม่ทุกข์นี่มันอยู่ ท, ที่อยู่ที่การปฏิบัติของเราร อ, อยู่ที่กําลังของสติปัญญาของเราค่ะ แ, แล้วเราเคยเคยได้ยินว่าไปอภัยแล้วหลวงตาหลวงตาไปช่วย มาจากนรกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ยินมาก่อนเนะี่ยไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่โอ้เจ้าค่ะตัวใหญ่มันต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของผู้ผู้นั้นอ่าแล้วถ้าเกิดเกิดคนคนหนึ่งเขาแบบปฏิบัติดีเจ้าค่ะแต่ว่าจิตตอนตอนตายแบบจิตตกเป็นอกุศลนี่ก็ต้องไปโรงละล่างก่อนไม่หรอก ม, มันก็เพียงแต่ถ้าอากุศลก็ทุกข์เท่านั้นถ้ากุศลก็ไม่ทุก บุญกับบาปเป็นตัวที่จะดึงไปไม่ใช่บุญกับบาปมันสะสมมัเหมือนเหมือนกับเงินบัญชีเงินฝากเงินบัญชีเงนิงนกู้อย่างเงี้ยเราจะปิดบัญชีเราก็ไปไปปิดทธนาคารเขาบอกอาตอนนี้เงินฝากมากกว่าเงินกู้คนก็ไดเ้เอาเงินที่ส่วนเหลือนี้ไปใช้ต่อได้ถ้าเงินกู้มากกว่าเงินฝากก็ต้องใช้เขาไม่เกี่ยวกับตอนจิตดีดออกจากร่างกายไม่เกี่ยวกัน อันดีที่ที่ว่าสติปัญญาสง บ, รรงสงบรหรือไม่สงบทุกข์แล้วไม่ทุกข์นั่นเองเจ้าค่ะคนละเรื่องกันเจ้าค่ะแล้วตอนตอนตอนเราอยู่กับคนตายนี่เราต้องให้เวลาเขาแบบพักก่อนไหมเจ้าค่ะก็ต้องก็ต้องให้มั่นใจว่าเขาตายจริงๆเพราะมีข่าวอยู่เรื่อยบางทีบางคน <c oughs> ไม่ตายจริงอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีหญินคนงคนหนึ่งคนก็คิดว่าตายแต่พอเอาใส่ลงแล้วก็มีเสียงคนข้อลงออก บางทีอาจจะเข้าฌานเข้าสมาธิไปหรืออะไรก็ได้เจ้าค่ะอันนี้ไม่แน่ไม่แน่นอนงั้ก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือของแพทย์เนี่ยน่าจะรู้หรอกถ้าตายจริงๆมันต้องไม่มีลมหายใจเลยเอเจ้าค่ะหัวใจไม่เต้นไม่มีลมเข้าลมออกแต่ถ้าตายตายจริงๆแล้วเลยเจ้าค่ะแล้วก็ต้องให้ให้จิตเขาว่าคือพอตายจริงๆจิตมันก็จะออกจากร่างปุ๊บให้เขาพักก่อน ไม่นองพักเรามันไม่มีเวลาพักบุญกรรมจะดึงไปทันทีอ๋อเป็จะดีดไปเลยเหรอจ้ะอ่าดุบุญกรรมจะมาโดน ด, ดีดไปแล้วที่เราเห็นเห็นเป็นอันนั้นความผูกพันตายตายแบบว่าตายก่อนกําหนดก่อนหมดอายุไขแล้วก็เห็นเป็นวิญญาณนะเราดองวิญญาณยังผูกพันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่ไปยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนี่เวลามีเงินมีทองก็ไ ม, ม่ไม่ยอมให้ไข่ไม่ยอมทําบุญเอาไปฝังดินหมด แล้วพอตายไปก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองอพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นก็เห็นดวงวิญญาณของของสุนัขตัวนี้ว่าเป็นเจ้าของเงินก็เลยบอกลู ก, ลกว่าเรียกหมาตัวนี้ให้ดีนะอย่าปล่อยให้มันไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้แล้วมันก็พาไปจริงๆ อ, อแต่ไม่ได้สุนัขทุกตัวที่จะรู้ใช่ไหมเจ้าคะจะไม่รู้แบบอดีตตัวเองก็มันรู้ว่า มันจําได้มันจึงไม่ไปไหนไงมันเฝ้าสมบัติอยู่อ๋อสำหรับสำหรับตัวนี้เอกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงทุกกรณีไปค่ะบางคนก็ดวงวิญญาณก็มาวนเวียนหยุดหยุดรอบพระเจดีก็มีพระเจดีที่ยังสร้างไม่เสร็จหลวงปู่มั่นท่านไปนั่งภาวนาแล้วไปเห็นดวงวิญญาณของพี่น้องวนเวียนอยู่แถาเจดีเจค่ะหลวงปู่มั่นเนี่ยถามว่าทําไมแางนี้ก็บอกว่าเขายังห่วงบิญญาณเจดีที่เขาร่วมสร้างอยู่ ยังสร้างไม่เสร็จยังอยากจะให้มันเสร็จอยู่ก็เลยยังไม่ไป อ, อำนานาจของความผูกพันมนเลยทำยับยั้งเรื่องของบุญของบาปไว้ชั่วคราวก่อนได้ออพอพระอาจารย์ท่านแทศกาฟังว่าเราทำบุญเพื่อเราจะได้ไปเกิดที่ดีเมื่อเราทำบุญแล้วเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดไปติด<ช>พอเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนนี้เขาก็เข้าใจขาเขาก็ปล่อยวางเขาก็ไปสวรรค์ต่ออจ้าค่ะถ้าเกิดบ้านเรา เราเราซื้อที่หลังแล้ววิญญาณเก่าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเราก็รับรู้ว่าเขาอยู่ที่บ้านไปก็ไม่ไปเพราะเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มันก็มากวนให้กวนเราเราก็ต่างคนต่างอยู่ไปนั่นเองถ่ายรูปติดติดแต่ไม่เห็นหัวอย่างเงี้ยก็ให้รู้เฉยๆไปเขาก็อยู่ส่วนของเขาเราก็อยู่ส่วนของเราเขาไปกั่นแกล้งเราเลยไม่หรอกไม่หรอกนอกจากมีเวรมีกรรมกันถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรก็อาจจะ มาหลังควานเราก็ได้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ไปไแต่เมตตาให้กับเขาทําบุญก็อุทิศบุญให้กับเขาไปค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยรับจะพาผู้นั้นรับไม่รับก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่เราคือให้เขาไปส่งให้เขาไปพ อ, อปรเราทําบุญแล้วเราก็เราก็แพ้เราก็อุทิศบุญได้ไม่ไม่ขาดทุนไม่ไม่ต้องทำอะไรพิเศษตัวครั้งที่เราทําบุญเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้เขาจะรับไม่รับก็ไม่เป็นปัญหาเลย แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเรากลัวเจ้าค่ะเพราะจิตเราไม่มีสติไม่มีปัญญาอ๋อเจ้าค่ะถ้ามีสติมีปัญญาเข้าใจว่าก็เป็นดวงวิญญาณเหมือนเราเพียงแต่เขาไม่มีร่างกายเหมือนเราเท่านั้นเองเขาเป็นดวงวิญญาณที่มีความรักรักตัวโกวตายรักอะไรต่างๆเหมือนกันไ ม, ไ, มไม่ต้องการเบียดเบียนใครเราก็อย่าไปเบียดเบียนเขาก็แล้วกันปล่อยเขาอยู่ตามสภาพของเขาไปเราจะเบียดเบียนเขายังไงเจ้าค่ะ อ่าไม่รู้แหละก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาเข้าฝันเราควรกาลังทํานู่นทํานี่ที่เขาไม่ชอบก็อย่าไปทําตามที่เขามาเข้าฝันก็แล้วกันอ๋อเจ้าค่ะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ไปทําอะไรเขาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยอ๋อเจ้าค่ะอีกอคําถามหนึ่งที่แบบสงสัยแต่หลวงพ่ออจะเมตตาตอบหรือเป่านะคะอยากให้หลวงพ่อเล่าแดเนีานให้ฟังให้เป็นกําลังใจในการปฏิบัติ อแดนนิพานมันหมายถึงสภาพจิต ท, ที่บริสุทธิ์เหมือนตอนที่เข้าสมาธินี่สมาธินี้เป็นนิพานชั่วคราวตอนนั้นมีแต่ความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหามันหยุดทำงานชั่วคราวแต่ถ้าเป็นนิพานนี้เป็นความสุขอย่า ง, ย, างยั่งยืนถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะใช้ปัญญากาจัดความโลภโกรนหลงต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็เลยว่างเย็นสบายเหมือนอวกาศ อันนั้นแหละไม่มีอะไรไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสภาพจิตใจของเราจิตใจที่มีความสงบมีความสุขปราศจากกิเลสตัณหาในวังนิพพานแล้วไปอยู่ไหนเจ้าคะาจิตเราไปอยู่ไหนเจาะก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่มั็น โ, เ ป, นโเป็นส่วนที่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วจิตพระละหันท่านสื่อสารคุยกันถ้าไม่สื่อสารแล้วตัวใครตัวมันมันไม่จะสื่อสารอะไรมันมันเหมือนกันทุกอย่างไม่คุยกันเลยเจ้าคะไม่คุยเราไปคุยทําไม ปฏิบัติมาเพื่อหยุดคุยหยุดคุยแล้วมีมความสุขคุยแล้วมันลรำคาญ เ, เราจะไปปฏิบัติไปนนิพพานทําไมล่ะครับไม่ก็เพรามันความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดไงความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมอความสุขยกชั้นหน่งสวรรค์ชั้นหื่นยังมีเสื่อมได้เป็นเทพแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพรหมก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นนิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปมีความสุขตลอดเวลานิพพานังระมังสุขขัง โอเคมีคนเื่นรออยู่ขอบคุณจ้ะค่ะมีขาประจำรออยู่ขาวระจำ่ามาว่ามามาไปอยากทราบเรื่องอากาศสาทธ์เป็นยังไงคะนี่ไงความว่างรอบตัวเรานี่ยอากาศเป็นพื้นที่ร่างกายต้องมีพื้นที่ตั้งอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีพื้นที่ไม่มีอากาศสถทธาร่างกายจะไปตั้งอยู่ที่ไหนได้ต้นไม้จะตั้งอยู่ที่ไหนได้ โลกใบนี้ดวงดาวต่างๆก็ต้องมีอากาศาธาตุเป็นที่ตั้งที่อยู่เร<ๆ>ียกว่าความว่างอวกาศเขาเนี่ยมันเป็นอวกาศทาตุนิยมเป็นหนึ่งในหกธาตุที่สร้างโลกที่สร้างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี้ทํามาจากหกธาตุนี้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็สร้างพวกต้นไม้ร่างกายของมนุษย์ของสัตว์สื่อสารธารูา้ ก, ก็เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ แล้วทำให้มันเคลื่อนไหวทำให้มันพูดทำอะไรได้แล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่บนอาวากาศธาตต้องมีที่อยู่ที่ตั้งค่ะขอบคุณค่ะ อ, อีกหนึ่งคำถามค่ะจิตจมีความสว่างไหมคะจิตมันสว่างได้ไหมแล้วมันมืดได้ไหมก็มันก็ปฏิบัติไปถ้าจิตสงบมันก็จะมีความรู้สึกสว่างขึ้นเวลามันเศร้าหมองมันก็รู้สึกจะมืดขึ้นลงไปอ๋อค่ะ อีกนึงค่ ะ, ะ, ะแล้วเงาของจิตเป็นยังไงคะเงาของจิตก็คือนามขันเรียกเป็นเงาของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ถือว่าเป็นเงาของจิตค่ะอขอบพระคุณค่ะ ค, คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขณะนั่งสมาธิความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น จะต้องทําอย่างไรกับความฟุ้งซ่านนี้ครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วไงบริกรรมพุทธโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่านั่งเฉยๆนั่งนั่งเฉยๆมันยิ่งคิดอย่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งอย่ยต้องดึงความฟุ้งมาให้อยู่กับบทสวดมนต์และอยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทโธไปไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็หายฟุ้งได้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เคเดินจงกรมพอเดินไปสิบเก้าเห็นร่างกายเหมือนรูปโร่งสีขาวไปทั้งร่างกายเก้าที่สิบเอ็ดก็รู้สึกตัวมาเป็นปกติความหมายคืออะไรเจ้าคะไม่ต้องสนใจหรอกมันเป็นอ น, นิจจังก็แล้วกันไม่เทียมเป็นการปรากฏการทางธรรมชาติอย่างสับเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราอย่าไปสนใจ เ, นเดินจงกรมเพื่อให้มีสติเพื่อให้หยุดคิดนเพราะฉะนั้นอะไรปรากฏขึ้นมาก็เหมือนตอนที่นั่งสมาธิ อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้เท้าเป็นกรรมฐานแล้วก็ดูเท้าไปเรื่อยๆใช้ขวาใช้ขวาไปคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะพระอริยาบุคคลที่ท่านเจ็บ ป, ปวดทางกายแต่ใจท่านไม่ถูกกับมันหมายถึงอย่างไรและท่านรู้สึกอย่างไรครับก็หมายถึงเวลาหิวข้าวในใจร่างกายคนทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมแล้วใจทุกข์ด้วยเปล่าทุกข์ใช่ แต่พระอรหันต์พระอาาริย ะ, าาะาานี่ท่านทุกเพียงครึ่งเดียวทุกที่ร่างกายแต่ใจท่านไม่ทุกใจท่านเฉยๆเหมืนมันอยู่ในสมาธิอย่างนี้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราต้องอยู่กับคนชอบเอาเปรียบต้องวางใจอย่างไรที่ผ่านมายอมยอมเขาเรื่อยไปเจ้าค่ะจนตัวเองลําบากในบางครั้งก็คิดว่าเขาเป็นผู้มากระตุ้นให้เราสร้างทานบา ร, รมีก็แล้วกันแล้วต้องขอบใจเขา ถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีโอกาสได้สร้างทานบารมีนมานบรบามีบารมีบม่อเกิดเนยให้จ้องจำํำไว้เวลาเจอมาเจอเจอ้ากรรมในเวรนี่คิดว่ามาล้เข้ามาช่วยเราช่วยให้เราได้สร้างบารมีให้เราได้ทําทานให้เราได้ให้ทําให้อภัยเขาคําถามจากทาง youtube ดกร์ค่ะเมื่อสร้างให้มี เพื่อสร้างให้มีอุเบกขาอย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้ปัญญาทำลายกิเลสได้ครับปัญญาก็ต้องมองให้เห็นตายรักในสิ่งที่ที่กิเลสอยากได้อยากได้แฟนก็บอกเป็นตายรักเป็นทุกข์อยากได้ลูกก็บอกว่าเป็นทุกข์อยากได้สมบัติก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ต้องดูแลสมบัติเวลาหมดไปก็เศร้าโศกเสียใจถ้าไม่มีอะไรไม่ทุกข์กับอะไรเลยคำถามจากทางเฟค่ะ เรามักจะเผลอไปคิดปรุงแต่งเมื่อตาเราเห็นหูได้ยินมารู้ตัวอีกมารู้ตัวตอนที่เกิดความโกรธแล้วว่ามันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เลยพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ถูกต้องไหมเจ้าคะก็ดูมันดับทุกข์ได้หรือเปลนะ่าคํำถามจากทาง Facebook ค่ะอยากทราบวิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้องครับเราควรนั่งสมาธิก่อนแผ่เมตตาไหมครับไม่ใช่เวลาแผ่เมตตาต้องเจอกันเวลาใครเขาดา่าเรานี่เราต้องแผ่เมตตาเขาเลย สาธุสาธุไม่เป็นไรให้อภัยไม่ใช่มาแผลตอนอยืนนั่งอยู่คนเดียวมันไม่ได้แผ่มันสวดการสวดไม่ได้เป็นการแผลการแผลต้องเจอกันใครขโมยเงินเราไปก็เอาไปเลยเอาไปเลยให้อภัยไม่ถือไม่ถือโทษโก่อกลืนอันี้เรียกว่าแผลเมตตาต้องแผลกับบุคคลที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วเราให้อภัยเขาหรือเราเห็นเขาแล้วเขา อยากจะให้เขามันเป็นมิตรกับเราเราก็ซื้อขนมไปฝากเขาอย่างนี้หมดแล้วใช่ไหมออีกคำถามนึง<ค>สุดท้ายคำถามสุดท้ายคำถามจากทางนากุติค่ะเจโตวิมุติคือการปฏิบัติอย่างไรและมีอันนี้สองอย่างไรคะคือวิมุตินี้มันมีมันมันเ ข, เขายากเป็นสองงานเป็นเจโตกับปัญญาวิมุตติแต่ความจริงมันก็ต้องมีทั้ง เป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาถึงจะวิมุตต์ได้เพงแต่ว่าบางคนนี้อาจจะเก่งทางด้านสมาธิ mm hmm. เขาก็เรียกว่าเจโตวิมุตต์ก็ระลึกชาติได้มีความสามารถพิเศษที่ไม่จําเป็นต่อการบรรลุ ธ, ธรรมส่วนอีกคนหนึ่งนี้ที่เป็นปัญญาวิมุตต์เป็นคนที่ฉลาดทางด้านปัญญาสามารถสั่งสอนธรรมะยยย àng, แยกแยะแจกแจงอธิบายธรรมะให้คนฟังได้เข้าใจอย่างง่ายดายและรวดเร็วเขาก็เรียกเป็นพวกปัญญาวิมุตต์คือถนัดทางปัญญา ส่วนพวกที่เจโตถนัดทางสมาธิแต่ก็ต้องมีธมรรมะที่มีปัญญาถึงจะมีมุตได้ถึงจะหลุดพ้นได้โอเคนะท่านี่การสำหรับวันนี้ขอให้ท่านยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ